กับ น, นมัมศการหลวงพ่อคะ่ะขอโอกาสเจ้าคะ่ะหนูก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณเก้าเดือนแล้วก็ปฏิบัติด้วยการรู้กับเผลอเจ้าคะ่ะสิ่งที่เห็นก็เห็นโทสะว่าตัวเองมีโทสะบ่อยดีเห็นอัตตาบ้างเจ้าคะ่ะ<อ>แต่ช่วงเนี้รู้สึกว่าเผล่ยาวแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงนี่แหละไปหางานทําำก็นะงานที่ใช้ร่างกาย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 มันไม่ใช่มันก็พูดไปเองอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะและที่ทํามาทั้งหมดเป็นพอได้ไหมคะพอได้สินะไปทําอีกนะะแต่ตอนนี้อย่าไปเพ่งไว้รู้สึกไหมตื่นเพ่งนี่ฝึกใช้ได้นะไปทำอีกค่ะขอบคุณค่ะเบอร์สี่สบเกเห็นไหมไม่ดื้อแล้วก็ดีเองแหละคนนี้อายุเท่าไหร่สิบสองค่ะเด็กๆเนี่ชอบพอนาง่ายอ่ะข้างในตื่นเต้น รู้ไหมหรเริ่มกดไปแล้วรู้ไหมอย่างตอนนี้ไปกดจิตให้นิ่งๆตอนนี้งงแล้วรู้ไหมเนี่ยรู้ความรู้สึกของเราเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆนะอ้าคุยไปอยากส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะนี่ไงหลวงพ่อรตรวจการบ้านให้แล้ว <laughs> <laughs> ให้คอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆนะ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 อีกครั้งนึงจำไม่ได้แล้วค่ะไม่เป็นไรคือการภาวนาเนี่ยนะถ้าเราเริ่มเห็นมันขาดช่วงเนี้ยเรียกว่า<ฆ>สันติคือความสืบเนื่องเนี่ยขาดลงไป<ฆ>ถ้าสันติขาดเนี่ยมันขึ้นวิปัสสนาแท้ๆแล้วแต่ไปนี้เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆนะ<ฆ>คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจฟังซีดีไปซีดีหลวงพ่ออัศจรยร์นะก็อาท้าเลยหนูฟั ง, ฟงทุกวันเลยค่ะฟังตลอดทั้งคืนเลยค่ะ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 หลวพ่อถึงไปบอกอาจารย์บันชัยอาจารย์คราวนี้ตายแน่ลนะถ้าไปอาจารย์ใจเย็นๆไว้น่าอาจจะรอดท่านจะเริ่มมีความหวังจะรอดแล้วไม่ภาวนาลนะอันนี้ลุ้นใหญ่เมื่อไหร่จะรอดเมื่อไหร่จะรอดเนี่ยทุรนทุไยเลยไปอับายเลยอ่าให้คนอื่นเขาบ้างอ่าส่งมาพวกขี้แยข้างหน้าเนี่ยมาส่งมาอีกมามาอ่าว่าไป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 กราบหลวงพ่อเจ้าคะ่ะก็ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อหลายเดือนวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าทุก ว, วันเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อก็มีสภาวะที่หลวงพ่อให้ไปดูความพอใจอที่ตัวเองเกิดปัญญาไปเห็นอะไรแล้วอพอใจก็ก็เริ่มเห็นเจ้าคะ่ะคราวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งมันเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราค่ะแล้วก็เห็นความพอใจว่าดีใจที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรา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 เม็นไหมแต่สุดท้ายมันยังรักตัวเองอยู่พอตัว<ช>เรา<ช>หายไปมันก็ตกใจอะไรเงี้ยนะั้นเราดูไปอีกนะั้นจนวันนึงใจมันยอมรับความจริงว่าตัวเราก็ไม่มีถ้าใจยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีเมื่อไหร่ก็เป็นพระโสดาบันเมื่อนั้นนะไป<ช>นะ้าฝึกไปมาได้เดยอะละกราบขอบพระคุณเจ้ค่ะท่นนี้มีอยู่ข้อหนึ่งพอดีว่า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 เวลาที่จิตมีกิเลสขึ้นมานะถ้าเราไม่ปิดตกใจสะกก่อนเนี่ยจิตกำลังมีจุดอ่อนให้เราเห็นนะกิเลสมีจุดอ่อนแล้วมันจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นไปเองมันไม่ใช่เราหรอกนะดูไปเลยนี่มันเถียงหลวงพ่อเองเราไม่ได้เถียงเพราะงั้นมันบาปนะเราไม่บาปค่ะยังยังยงถูกทางอยู่ใช่ไหมคะถูกดีขึ้นด้วยซ้าไปรอยี่สบเกขอบคุณค่ะกราบเรียนหลวงพ่อฮะ